วันนี้ใครอยากจะถามอะไรหรือเปล่าถ้าอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะอยากจะถามอะไรไหมกลับมานาส ก, การนะคะตอนนั้นเห็นพระอาจารย์เคยบอกว่าเวลาถวายผลไม้หรืออะไรที่มันมีเมล็ดสามารถที่จะเติบโตได้เราต้องทําหัน่นอย่างเช่นอย่างถ้าเกิดองุ่นแไรเมล็ดเนี่ยถ้าเราถวายเนี่ยเราต้อง เอามีมาหันไหมว่าไม่มีมเมล็ดอะไรเงี้ยค่ะหรือชมพู่อะไรเงี้ยอ๋อเวลาทำเขาให้ทำแต่เป็นพิธีไม่ได้ทำแบบเอาเป็นเอาตายอมันมันยางือทำเป็นตัวอย่างเอามาเม็ดเดียวนูกเดียวเช่นในมีถาดเอาใสาง่งหมุนมาถาดอย่างนี้จานนี้เราก็ เราก็เด็ดเพียงเม็ดเดียวเด็ดมันออกจากกล้างในลักษณะว่าเราได้ทําลายมันแล้วถ้าจะถามว่ากัปเปียงกาโรฮิถามว่าสมควรแก่การบริโภคหรื อ, อยังโยมก็เด็ดมันออกอว่ากัปปิยะพันเตบอกว่าสมควรแก่การบริโภคแล้วก็แปลว่าได้ทําให้มันตายแล้ว คือเราแดดมนเอาจากขั้วเนี้คือมันไม่ตายจริงอะ่ะแต่ก็แบบว่าตายตามพิธีให้ให้รู้ว่าได้มีการกำจัดมันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาแล้วพระฉันไม่พระฉันของตายแล้วไม่ได้ใช้ยังไม่ยังไม่ได้ฉันของเป็นความหมายอย่างนั้น้อย่างซึง่นก็ต้องแกะเปลือกออกสักลูกนึงใช่ไหมอะไรก็ได้สักลูกนะึงพัก แกะเปลือกออกมานหนึ่งหักเหมือนออกถ้าเป็นผักบุ้งก็หักกิ่งเหมือนสักหน่อยักก้านมันสักหน่อยทําเป็นพิธีเพราะมันเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจของคนสมัยก่อนคือเขาว่ามันมีชีวิตไงแล้วถ้าพระไปกินของมีชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนกับฆ่าแต่ของอมีชีวิตนี้มันไม่มีวิญญาณ ไม่มีตัวรู้ที่จะมารับรู้ว่ามันได้ถูกทำลายถูกกินมันก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีเวรมมีกรรมมันไม่มาโกรธแค้นโกรธเคืองทิชนี้มันไม่โกรธแค้นโกรธเคืองเราหรอกเวลาเรากินมันแต่ถ้าเราไปกินกินเป็ดกินไก่ไปข้ามันเนี่ยมันมันจะโกรธแค้นโกรธเคืองเรามันจะจำไว้ โอกาสหน้ามันเจอเราเราเป็นไก่เมื่อไหร่มันก็จะเราว่าจะกินมันมันมันก็จะกินเราเหมือ น, นั้นขนานั้นั้นเขาก็เลยให้มีการทํากัปปิยะคือเวลาทําก็ต้องทําต่อหน้าพระก่อนที่จะถวายเช่นยกของที่จะมาถวายเป็นศส้มเป็นผลไม้ที่ยังมีมาได้อยู่ถ้าจะถามก่อนว่ากัปปิยังกะโียโยมก็ ฉีดปอกเปลือกหรืออะไรของของสอนหรือเด็ดผลมไม้ออกจากก้านนั่นหน่อยแต่ว่าได้ทำแล้วได้ทำกับปิยะแล้วกิดให้สมควรแก่การบริโภคแล้วคือถ้าแปลความหมายก็ได้ฆ่ามันแล้วได้ทำได้ทให้มันตายแล้วท่านั้นเองเป็นพิธีพิธีกรรม ทางภาคกลางเ ล, ลือดทางที่ในบ้านในเมืองนี้เขาต้องจะทำแบบปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นๆเอาเม็ดออกหมดเลยเที่คนทำกันมาเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นหลายชั่วคนปู่ย่าตายายสอนกันมาทำกันมาแต่ไม่ได้บอกว่าทำด้วยสาเหตุอนใด ก็เลยไปคิดว่าพรคที่เกียจกินผลไม้ปอกเองไม่ได้เวลาจะถวายผลไม้จะต้องปอกเปือกต้องอหั่นเป็นชิ้นเป็นอะไรไปอันนี้ก็เท่ากับเป็นการทําลายผลไม้ไม่ให้พระไปทําลายมันเวลากินไม่ให้ไปทําลายเม็ดมันก็เลยเอาเม็ดออกไปเพราะเม็ดยังเอาไปปลูกได้ของวันนี้มันก็เลย บางผักชีนี่เขาให้ตัดตัดลากออกอะไรเงี้ยจะได้เพราะลากมันนี่ถ้าไปใส่ลงไปในดินมันก็ยังโตขึ้นมาได้อยู่ยังมีชีวิตอยู่อาไหมาถ้าผ้าไปกินของที่มีชีวิตก็เหมือนกับไปฆ่าไปทําผิดศีลข้อที่หนึ่งปานาติบาศก็เลยมีการสําหรับพ้า ป, ป่านี่จะอยู่กับชาวบ้านชาวป่า ชาวบ้านชาปาเาเวลาถวายผลไม้ก็ไม่มาปอกมาก็ไม่มีเวลาเช้าเขาจะรีบไปทํานาก่อนจะทํานาเขาก็แวะมาเอาของถวายพระที่วัดก่อน mm hmm. เขาก็เอามาทั้งลูก mm hmm. เอามาทั้งพวงอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ต้องบอกเขาว่าให้ช่วยทําให้มันตายซะก่อน mm hmm. ก็ทำแบบเป็นพิธีก็ ยับช ม, มขึ้นมาสักลูกแล้วก็ปอกเปลือกนิดนึงฉีกเปลือกออกมาหน่อยท่านั้นเนะี่ยถือว่าเสร็จเป็นพริกกรเด็ดมันออกจากก้านหรือหักมันให้มันตายผักบุ้งอย่างนี้ผักชีอย่างนี้ก็หักหักก้านมันซะหน่อยแต่ถ้าอยู่ตามบ้านตามเมืองนี้เขาจะเขาจะทําให้เรียบร้อยก่อนมาถวายพระเลย ปอกเปลือเอาเมล็ดออกกิดได้เลยนะก็เท่านั้นน่ะมันไม่มีอะไรทีที่ให้พระป่าเขาให้ทำต่อหน้ามันจะได้รู้เรื่องกันไงคนคนที่ถวายเขาจะถามให้ทำอะไรกันนะยัง น, นะอพอพอเห็นแล้วไม่เข้าใจก็มาถามอย่างวันนี้ถามแล้วก็จะได้รู้ว่า ความเป็นมามันเป็นอย่างไรความเป็นมาก็ในในสมัยพุทธกาลเนี่ยชาวบ้านเข้าไปตำหนิพระว่ากินของมีชีวิตอุตเจ้าก็เลยแก้ลําแก้เคสก็ทําให้มันไม่มีชีวิตก่อนให้คนที่มาถวายนี่ฆ่ามันก่อนทําลายมันก่อนโดยการาหักมัน หรือว่าเด็ดมันอะไรทำเรานีา้หรือในสมัยก่อนเขาอาจจะทําแบบที่คนในเมืองทอํากันก็ได้มันอาจจะปอกเปลือกออกเอาแต่เนื้อออกมาเนื้อส้มออกมาอย่างนี้มเมล็ดส้มก็เขี่ยทิ้งไปหรือมีแต่เนื้อให้ถวายก่อนที่จะมาถวายพระ ก, ก็ทําให้มันเรียบร้อยก่อน นี่สำหรับผ้าป่านี่ท่านไปอยู่กับชาวป่าชาวเข า, วช า, วาชาวไร่ช า, าวนาเขาไม่เหมือนคนในเมืองเขาก็กินกันทั้งลูกทั้งอะไรไปเวลาถวายของแม่พระเขาก็ถวายเป็นทั้งลูกไปไม่ได้ปอกเปลอืปลอกไม่ได้หั่นเป็นชิ้นๆออกมาพระก็เลยให้เขาทาแบบง่ายๆทําทำให้เขาทําลายมันก่อนเขา้าใจยัง แล้เวลาทํานี้สมุทタมะมีส้อมมาถาดอย่างนี้หรือชามอย่างนี้มีหลายใบเวลาทําต้องให้มันติดกันนะไม่ใช่ยกขึ้นมาลูกเดียวแยกออกจากทุ๊กลูกอื่นมันต้องให้ลูกนี้ติดกับลูกนั้นให้มันติดกันเหมือนที่ว่าเป็นเป็นส่วนเดียวกันแล้วก็ฉีกเปลือกส้อมส้มนิดของของลูกนึงแต่ลูกนี้ต้องแตะอยู่กับอีกลูกนึงอีกลูกนี้ต้องแตะกับไอ้ลูกต่างๆ ยังถือว่ามันมันอยู่ร่วมกันทำที่เดียวถ้ายกออกมาลูกเดียวทำแสดงว่าทำลูกเดียวอกไอลูกลูกที่ส่วนอื่นมันไม่ได้ทำก็ไม่ถูกสาหรับผ า, าปา่าถ้าผักบุ้งก็สมมติว่ออามาถาด น, านือชาอะไรี้ก็ต้องหักหักมันอันดนึงแต่อันนี้มันต้องมันต้องติดกิ่กับกับผักบุ้งอันอื่นด้วยให้มันติดกัน อ่างหมุนผลไม้ก็ถมันต้องติดกั น, นแล้วก็เด็ดมันอันหนึง่งถ้ายกออกมาต่างหากมันก็ทําลูกเดียวไอ้ลูกอื่นไม่ได้ทําอาจารย์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องเปรียดย่อยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีความอนักนะสาหัสคือมันก็ไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมอะไรถ้ากินผลไม้โดยที่ไม่ได้มีการอ่ เอาเม็ดออกก่อนหรืออะไรเอแต่ว่าในสมัยพุทธกาลนี้มันจะเป็นเป้าให้คนอื่นเขาจองตีพระได้พระพุทธเจ้า ก, ก็เลยให้แก้ปัญหาด้วยการให้คนถวายนี้ทำลายมันก่อนนั่นเองแต่มันไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่อย่างใดเพราะผละไม้ผักของพวกนี้ถึงแม้จะมีชีวิตแต่ไม่มีดวงวิญญาณ ไม่มีการรับรู้ไม่มีการไม่มีการโกรธไม่มีการนาคาพยาบาทจองเจองจำเหมือนร่างกายของมนุษย์นี่ใครมาหักแขนดูเลยดวนใครหักแขนนี่ดวงวิญญาณเจ้าของร่างกายนี้ก็โกรธอย่างน้อยก็ต้องไปแจ้งความนะใช่ไหแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับคนที่ มาทำร้ายร่างกายเนี่ยไปนี่คือความหมายว่าคนในสมัยก่อนเขาคิดว่าร่างกายคนของสัตว์ก็เหมือนกับต้นไม้ไปยายหญ้ามีชีวิตเหมือนกันถ้าไปทำร้ายมันมันก็ถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหมือนกันพระพุทธเจ้ารู้ว่าพวกต้นไม้พวกผักพวกหญ้านี่มัน ไม่มีไม่มีมันมีชีวิตแต่ไม่มีดวงวิญญาณมันไม่โกรธใครไปตัดต้นไม้ต้นไม้มันไม่โกรธมันไม่อค่ า, คาพยาบาทไม่จองเวรจองกรรมแต่ใครไปตัดแข้งตัดขาของคนดูนตัดแข้งตัดขาของ ก, กบของเขียดดูพวกนี้มีชีวิตปราคาาพยาบาทมันจะจองเวรจองกหหรรมเราก็มีอีกเรื่องหนึ่งเนี่ย พระตัดหญ้าไม่ได้ไหมตัดเก่งไม้ไม่ได้ก็พราะก็เรื่องเดียวกันนี่แหละว่าถือว่าพวกนี้มีชีวิตพระจึงตัดตัดหญ้าไม่ได้ตัดเก่งไม้ ไ, ไม่ได้เวลาจะตัดต้องให้ญาติโยมที่เขาที่เขาไม่ได้ถือไม่ได้เป็นพระนี่มาตัดได้เพราะ เพราะเขารู้ว่ามันไม่มีชีวิตมันมันมนไม่มีดวงวิญญาณมันได้เป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยสมัยก่อนนี้ถ้าไปตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้ก็ถือว่าเป็นการทำลายชีวิตเนี่ยพระเลยทำไม่ได้เวลาพระจะให้เวลามีกิ่งไม้ต้นไม้มาเกะกะที่กุฏิอย่างนี้บางทีก็ต้องบอกญาติโยมแล้วบอกญาติโยมนี่ก็สั่งไม่ได้ด้วย บอกเขาตรงๆไม่ได้เพราะว่าเป็นการการทําบาปนี้ถึงแม้ตัวเองไม่ได้ทําเองสั่งให้เขาทําก็บาสน mm ี hmm. ่วิธีที่จะให้เขาทาโดยไม่บาปก็คือพูดเป็นเขาเรียกออกอุบายออกอุบายก็คือว่าเช่นโยมมาก็บอกว่ากิ่งไม้นี่มันเจ๊งก ะ, กะหเหล้วกิน mm hmm. เดี๋ยวมัน มากระทบกับหลังคาทําให้กระเบื้องแตกก็พูดได้ท่านี้ญาตาโยงฉลาดก็ อ, กอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการให้ญาญิโยมโง่ก็ <laughs> สั่งไปเชฉยๆ <laughs> ไม่เข้าใจความหมายถ้าโง่ก็ต้องรอรอคนฉลาดมาบอกต่อคนนี้โง่พูดแล้วเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจว่าพระกําลังต้องการความช่วยเหลือ เพราะว่าพระเองนี่ทำเองไม่ได้ออก็เลยต้องบอกเป็นอุบายไปบอกว่า อ, อ, อยังมีปัญหาตีออไม้มันมาทําให้หลังคากระเมื้องแตกออมนรู้จะทํำยังไงดออีตัดเองก็ตัดไม่ได้เพราะผิดพระวินยัยพูดอย่างนี้ยังพูดได้ถ้ายวุวะหลวงพี่ตัดไม่ได้เดี๋ยวผมตัดเองเ อ, อ, อย่างนี้เขาก็ตัดให้ เพราะว่าการทําบาปนี่ถึงแม้ไม่ได้ทําเองสั่งให้ก็ทําก็บาปเหมือนกันเห็นสั่งไม่ได้แต่พูดในลักษณะแบบไม่สั่งได้อยู่แต่คนฟังจะรับรู้หรือไม่นี่ก็แล้วแต่คนฟังถ้าคนฟังฉลาดก็เข้าใจว่า อ, อ๋อต้องต้องทําอะไรสักอย่างกับสิ่งนี้แล้วก็ช่วยจัดการให้ บางคนถ้าไม่เคยเข้าวัดมาก่อนไม่รู้เรื่องของพระมาก่อนก็จะไม่เข้าใจความหมายแต่พระเขาก็จะรู้แหละเขาจะรู้จะพูดกับใครไม่พูดกับใครคนที่ไม่รู้อิรุ่ยนี่ก็ไม่ไปพูดด้วยเสียเวลาถ้าจะพูดก็ต้องมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนเรื่องว่าทําไมพระตัดยญ้าไม่ได้ตัดกิ่งไม้ไม่ได้กินของเขียวไม่ได้กินของมีชีวิตไม่ได้กินผักกินอะไรที่ยังยังยังไม่ตายไม่ได้ เพราะว่ามันผิดกฎผิดระเบียบวิไหนแปลว่ากฎระเบียบของพระเนีศีลของพระมี227ข้อข้อหนึ่งก็อย่างนี้ตัด่งไม้ไม่ได้ตัดหญ้าไม่ได้กินของที่ยังมีชีวิตไปได้ถ้ายังไม่ได้รับการทำกัปปิยะก่อนเป็นกฎระเบียบเพื่อที่จะรักษาความสวยงามความน่าเคารพนับถือของพระไหม พระพุทธเจ้าก็เลยต้องสร้างกฎขึ้นมาเพราะกฎเหล่านี้เกิดจากการที่มีคนเข้าฟ้องมาฟ้องว่าพระกำลังทำสิ่งที่ไม่สวยงามไม่น่าดูก็เลยมาแจ้งความมาฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกมาสอบถามอพอทราบว่าทำอะไรไิเจอมาแล้วเห็นว่าไม่ควรจะทาก็สั่งห้าม ศีกลกรณีเพิ่มขึ้นทีละข้อสองข้อสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบวชพระใหม่ๆนี่ไม่มีไม่ไม่ไม่ได้บอกให้ถือศีล น, นะพวกพวกที่มาบวชนี้เขาเป็นนักบวชมาก่อนแนละ้วเขาบวชอยู่ที่สำนักอื่นเขามีศีลกันนะเขารู้ว่าวิธีอยู่ของพระนี่อยู่กันอย่างไรแล้วพอเขาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า แล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เขาก็เลยขอขอบวชกับพระพุทธเจ้ามาเป็นพระในสังกัดของพระพุทธเจ้า mm hmm. เขาก็รู้ว่าพระนี่ต้องอยู่ยังไงเช่นไม่ร่วมหลับนอนกับศีกาอย่างเงี้ยท mm hmm. ีต่อมาศาสังนาเริ่มดังขึ้นเริ่มมีชื่อเสียงขึ้น mm hmm. คนที่ไม่เคยเป็นนักบวชก็อยากจะบวช mm hmm. พอมาบวชเขาก็ไม่รู้ว่านักบวชอยู่กันอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ ไม่ได้ตั้งข้อข้อห้ามต่างๆยังไม่มีศีลเพราะนักบวชยุคแรกๆนี้เขารู้ว่านักบวชอยู่กันอย่างไรแต่พอยุคต่อมาเริ่มมีคนสนใจอยากจะบวชแต่ไม่เคยเป็นนักบวชมาก่อนเป็นคารวะญาติโยมก็มาขอบวชพอบวชแล้วก็ไปทำอะไรที่ทำให้ เชาวบ้านเขาไม่ยินดีก็เลยต้องมาตั้งกฎข้อห้ามเช่นกฎข้อหนึ่งนี่ห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับสีก า, าเป็นพ้าแล้วนี่ไปนอนกับอญาติโ ย, ยมไม่ได้แล้วทีนี้มันมีเรื่องมีมีชายคนหนึ่งก่อนจะมาบวชก็มีภรรย า, าแล้วก็ พ่อแม่ของชายคนนี้ก็เป็นเศรษฐีทีพอชายคนนี้มาบวชเขาอย่ากกับภรรยาเ ข, เ, ขเขาเลิกกับภรรยาแล้วก็ขอม า, มาบวชทีพ่อแม่ของชายคนนี้มีมรดกอยากจะมีหลานรับมรดกก็เลยให้ศีกาไปขอนอนกับพระเพราะถือว่าเคยเป็นสามีภรรยากัน คงไม่เป็นไรมั้งเขาคิดอย่างนั้นก็เลยไปนอนกันแล้วก็ตั้งท้องออกมาพอความปรากฏขึ้นมาก็เลยทำให้คนมีข่าวอาหารนินทาว่าเอ้เป็นนักบวชเป็นพระไปนอนกับศีราได้หรือ<ม>ก็เลยไปถามพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าบอกเอ้ทําไม่ได้หรอกเป็นนักบวชแล้วนักบวชต้องมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบ ไม่ใช่ไปหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันแต่คนนี้มันกรณีเขาไม่ใช่ไปหาความสุขแต่เขาเหมือนกับว่าไปผลิตหลานให้กับพ่อแม่เพื่อได้มีหลานมารับมรดกเขาก็ไม่มีความอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนแต่คิดว่าทําไปเพราะพ่อแม่ขอร้องอก็เลยทําไปอุตตเจ้าก็บอกว่าถึงถึงแม้ว่าไม่ได้ทําด้วยความอยากจะทํามันก็ไม่สวยงามไม่น่าดู เดี๋ยวต่อไปพระก็อ้างกันได้ว่าขอทำลูกทำหลานให้ปู่ย่าตายายหน่อย <c oughs> <c oughs> จะได้มีคนสืบทอดออตระกูลนามะกุลนี้จะได้ไม่สูญหายไปมาบวชแล้ว ก, ก็ก็เลยมีข้อห้าวว่าต่อไปนี้พระไปร่วมหลับนอนกับศีกาไม่ได้เมื่อก่อนนี้ก็ไม่มีใครร่วมหลับนอนกันพวกที่มาบวชเข้ารู้กันไง พวกที่มาบวชเขาเป็นนักบวชกันมาเขารู้ว่าเขามาบวชนี่ไม่ได้มามาเพื่อจะมาร่วมหลับนอนกันทีนี้ก็เลยมีกรณีนี้ขึ้นมาถึงแล้ ว, ว่าจะไม่ได้ทำเพราะความอยากจะทำแต่ทำเพราะว่ามีคนขอร้องให้ทำแทนพ่อแม่ขอร้องอยากจะได้หลานก็เลยไปทาให้พ่อให้แม่สบายใจให้พ่อแม่ได้มีหลานมารับมรดกนี้ ถึงแม้ทําแบบด้วยเหตุผลนี้ก็ไม่ควรจะทําเพราะต่อไปมันจะอาจจะเป็นข้อห้าของบภาพรูปอื่นไดเกิดภาพรูปอื่นเกิดอยากจะนอนกับใครขึ้นมาก็อ้างว่าออจะทําลูกทำหานาให้เขาหน่อยเขาจะได้ตระกูลนี้เขาจะได้ไม่ไม่สูญหายไปเชื่อของตระกูลนี้เนี่ยก็เลยเกิดเป็นข้อห้ามขึ้นมาทีละข้อสองข้อ มีมันต้องมีเหตุการณ์ขึ้นมาก่อนนะพราะศีลสองข้อยีข้อนี้ไม่ได้โผล่ขึ้นมาเองอาจารย์นะเหมือนสมัยนี้กฎหมายบางข้อนี้มันไม่ได้โผล่ขึ้นมาเองอ่ะมันต้องมีเหตุการณ์ทําให้เกิดเช่นเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมก็ไม่ต้องมีห้ามเนี้ยอย่างนี้ใครขับรถแล้วคุยกันทางโทรศัพท์มือถือนี่ผิดกฎหมายป่าผิดเพราะอะไรเพราะว่ามันมีปัญหาใช่ไหม เมื่อก่อนนี้ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ขับรถกันไปอย่างปลอดภัยพอพอมีอมือถือนี่ขับไปคุยกันไปไม่ได้ดูถนนโมแต่คุยกันรถตัดหน้าคนตัดหน้าขึ้นมาชนเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาพอเกิดบ่อยๆขึ้นเขาก็เลยต้องมาแก้ปัญหาก็เลยต้องออกกฎหมายห้ามเวลาขับรถนี่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ อันนี้ก็เป็นเหตุให้ทำให้มีกฎหมายต่างๆขึ้นมาสีสองรอยี่2 2บเจ็ดของพระนี่ก็แบบเดียวกันนะมีเหตุมีพระที่มาบวชแล้วไปทำอะไรให้เกิดมีความเสียหายตามมาก็เลยต้องมีการล่้งกฎข้อห้ามต่างๆเพื่อนักษาความสงบเรียบร้อยของของสังคมเนะี่ย พระก็เป็นสังคมมันหนึ่งพระอยู่ร่วมกันหลายๆรูปก็อาจจะมีการกระทำอะไรที่ไม่เรียบร้อยหรือเป็นธรรมะให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอก็ต้องห้ามกันอนี่ก็เลยเป็นที่มาของศีล227ของพระ พอพอห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกันพระเขาก็ไม่หลับนอนแต่เขาไปคุยกับสีสกาสองต่อสองอกีกอ่ะ น, นี่ก็ต้องห้ามอกีก <c oughs> หรือไปคุยแบบเกี่ยวพาราศีก็ห้าม อ, อีกเนี่ยมันมีมันมีปัญหาตามมาเรื่อยๆศีลมันก็เลยเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นเวลาที่ยุคนักบวชใหม่ๆนเป็นพระอารหันต์ทั้งนั้นเป็นพระที่ไม่มีกิเลส เขาสงบเรียบร้อยเขาไม่ยุ่งกับใครก็ไม่มีอะไรเขาไม่ต้องการอะไรกับใครก็เลยไม่มีปัญหาแต่พวกที่มาบวชที่หลังนี้ยังเป็นพวกที่ยังมีกิเลสอยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้หลุดพ้นเหมือนพระอรหันต์พระอรหันต์นี่เขาฆ่ากิเลสหมดแล้วความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆไม่มีลนะเขาคุยอะไรกับใครเขาไม่ได้คุยด้วยความโลภความอยากก็คุยแบบคุยแต่ธรรมะคุยแต่เรื่อง ของที่มีคุณมีประโยชน์แต่พวกที่ยังมีกิเลสอยู่นี้เดี๋ยวพอเจอเพศตรงการข้ามขึ้นมาก็เกิดอารมณ์อยากจ ะ, ะคุยกับเขาอยากจะเกี่ยวพาราศีเขาอยากจะจีดเขาก็พูดไปพอาพูดแล้วคนอื่นได้ยินกาเอ้ยมันไม่น่าฟังเนี่ยพระไม่น่าจะพูดพูดคุยกันแบบนี้โหราวกันกิ๊กั๊กก๊กๆัอย่างนี้แล้วอยู่สองต่อสองก็ไม่ได้ อยู่ที่ลับหูรับตาด้วยกันก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเป็นพยานว่าเวลาสองคนอยู่กันที่ในที่รับนี่จะทําอะไรกันหรือเปล่าย็เลยต้องมีข้อห้ามต่างๆโผล่ขึ้นมาทีละข้อสองข้อถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ยนตถึงทุกวันเนี้มันศีลมันจะมากกว่าสองอยี่บเจ็ดเด็กใช่ไหมสมัยมมนี้ญาติโยมบ่นไหมเห็นพระไปเดินแถวพันทิพย์นเนี่ยเห็นเห็นเดินเดี๋ยวนี้ถ่ายภาพกัน ส่งขึ้นไปในเฟซบุ๊กกันเนี่ยเห็นไหมมีเรื่องวิาพากษ์วิจารณ์กันมากมายก่ายกองมีเรื่องราวต่างๆอถ้าบีพระพุทธเจ้าอยู่ก็เนี่ยต้องมีตั้งข้อห้ามขึ้ น, นมาเรื่อยๆห้ามห้ามถ้ามีมือถือรับรองได้ถ้าพุทธเจ้าอยู่ทุกวันนี้จะห้ามพระไม่ให้มีมือถือท <laughs> ีมันไม่มีใครมาตั้งกฎแล้วเพราะว่า มีพระพุทธเจ้าคนเดียวที่ที่พระกลัวพระนับถืออแต่พระลูกอื่นมาตั้งกฎนี้ไม่มีต้องมีพาาาระอลันอย่างยุคแรกๆก็มีพระอลานห้าร้อยลูกเนี่ยมาประชุมกันแล้วก็มาสังเกตานามาทบมาทบทวนศีล ต, ต่างๆข้อห้ามต่างๆว่าควรจะเพิ่มหรือควรจะลดหรือไม่ก็ทุกคนก็มีมติอันเดียวกันว่าไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดพระพุทธเจ้า กำหนดไว้เท่าไหร่ก็ดีแล้วไม่ต้องลดไม่ต้องตัดมันออกไปแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มเพราะไม่เพราะไม่มีไม่มีเหตุให้เพิ่มอะไรทั้งนองนี้เพราะนั้นก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีการลดอายุคหลังๆนี่มันก็มีของอะไรแปลกๆใหม่ๆโผล่เข้ามาอยู่เรื่อยๆแล้วพ้าที่มาบวชก็ยังมีกิเลสอยู่คนที่มาบวชก็ยังมีกิเลสอยู่ก็ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควร ก็เลยทําไปตามความอยากตามความโลภต่างๆแล้วก็เลยเกิดความเสียหายความเสียหายขึ้นมาแต่ก็ไม่มีใครก็มาตั้งศีลข้อใหม่ได้เพราะว่ามันไม่มีใครมีบารมีเท่ากับพระพุทธเจ้าก็ทางมีถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้ก็มีมหาเถรสมาคมที่มีพระผู้ใหญ่ประมาณยี่สิบกว่ารูปเนี่ยเป็นกรรมการ เป็นตัวแทนของสงฆ์เป็นผู้ปกครองสงฆ์เป็นผู้ที่จะออกกฎระเบียบต่างๆบางทีนานๆท่านก็มีกฎระเบียบมาออกมาทีนึงมาเพื่อควบคุมความประพฤติของพระนี่ก็คือเรื่องของทำไมถึงต้องมีกฎมีระเบียบมีศีลเพราะว่า ถ้าไม่มีก่อนไม่มีระเบียบคนก็จะกระทำอะไรที่มันไม่น่าดูไม่น่าฟังรือททำอะไรให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือเสียหายต่อศรัทธาของต่อผู้อื่นต่อองค์กรถ้าพระทำอะไรไม่ดีต่อไปชาวบ้านอาจจะไม่ใส่บาตรให้ก็ได้บิณฑบาตก็ไม่มีใครใส่บาตรให้เพราะไม่ศรัทธาเพรา ะ, ะคิดว่าทำอย่างนี้มัน ไม่ได้เป็นพระนี่ใช่ไหมเขาก็จะไม่ศรัทธาไม่อยากจะใส่บาทไม่อยากจะสนับสนุ น, นการใส่บาทการทําบุญกับพระนี่หมายถึงสนับสนุนให้พระอยู่เพื่อพระจะได้ทําหน้าที่ของพระแต่ถ้าพระไม่ทําหน้าที่ของพระพระกลับไปทําหน้าที่ของโยมนี้ก็ไม่รู้จะมาสนับสนุนทําไมเนี่ยก็คือเรื่องของพระวินยัย ของพระนี่มีท่าทิกมีสองรอยยี่ส7บเจ็ดข้อถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ถึงตอนนี้อาจจะถึงพันข้อแล้วก็ได้มีเรื่องแปลกๆเรื่องใหม่ๆโผล่ขึ้นมาเรื่อ ย, ยอันนี้มีเรื่องอะไรที่ญาติโยมชอบบ่นเกี่ยวกับพระบ้างอะถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสในในโซเชียลอะไรอินสตาแกรมอะไร ตอนต้นที่เรานิธิญาติยมทํำเฟซบุ๊กให้เราใหม่ๆก็มีญาติโยมเขาเขาไม่พอใจเหมือนกันก็บอกเป็นพระมาทํำเฟซบุ๊กได้ยังไงเราก็บอกเราไม่ได้ทําแบบนั้นเราทําเพราะว่าเขาจะเอาที่เราเทศน์เนี่ยมาเผยแผ่ทีนี้เฟซบุ๊กมันทําแบบถ้าทําแบบญาติโยมก็เอามาเอามาโชว์กันมาอวดกันมาอะไรกันเขาก็เลยก็คิดว่าเรากําลังหลงทางเลยมาเตือน บอกหลวงพ่อทำนี้ไม่ถูกนะเราบอกเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเราไม่ได้ทำเองเนี่ยญาตโยมก็เป็นคนทำขึ้นมาเองเราไม่ได้เป็นคนทำเ c e b o o k นี้ user n a m e นมพาสเวินี้เราไม่รู้เรื่องหรอกเพีแต่ว่าเราเห็นว่ามันเป็นเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่สามารถเผยแพท่ทำมาได้เพราะสมัยนี้คนเขาใช้ของพวกนี้กัน เราไปมัวแต่ทําหนังสือคนก็เข้าไม่ถึงกันไอนี้หนังสือคนไม่ค่อยอ่านกันคนไม่ค่อยจะถือหนังสือติดไปกับย่ามติดไปกับกระเป๋าอย่างนี้ในกระเป๋าก็มีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยต้องการอะไรความรู้ทั้งหมดในโลกเนี้ในห้องเนี่ยอยู่ในมือถือหมดแล้วสมัยนี้อยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรสามารถเรียกขึ้นมาได้เลยพรปัตติบีดอกนี่อยู่ในมือถือแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันธรรมบทเนี่ยอยู่ในมือถือเล็กๆ ก, กันนี้อันเดียวอยากจะรู้เรื่องไหนก็เรียกขึ้นมาได้ง่ายกว่าสมัยก่อนต้องไปค้นในตู้ต้องไปคน้นว่าอยู่ในเล่มไหนอยู่ในหน้าไหนกว่าจะได้อ่านได้สมัยนี้มันหาให้เราโดยอัตโนมัติเพียงแต่บอกเรื่องที่เราอยากจะรู้เท่านั้น เอาวันนี้ถ้าโยบอยากจะรูล้ลงก็ลงเดี๋ยวลองเข้าไปใส่ดูเลยกับปิยะไปว่างไงคําว่ากับปิยะเนี่ยเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาแะ mm hmm. คือความ ส, สื่อต่างๆนี่มันก็เป็นของกลางๆเหมือนกับมีดเนี่ยมีดก็เป็นของกลางๆมีดถ้าวางไว้เฉยๆมันไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครมันไม่เป็นประโยชน์กับใครแต่ถ้าใครไปหยิบขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไป เป็นโทษกับคนอื่นก็ได้รหรือเป็นประโยชน์กับคนอื่นก็ได้หรือเป็นประโยชน์กับตนหรือเป็นประโยชน์กับเป็นโทษกับตนก็ได้ถ้าไม่รู้จักใช้เอามีดมาเล่นเดี๋ยวก็ บ, บาดมือก็ได้เห็นไหมพอถึงไม่ให้เด็กเล่นมีดใชนั้นจับมีดเพราะกลัวเดี๋ยวเด็กไม่รู้เรื่องจับมีดแล้วเดี๋ยวมันจะไปทิ่มแทงตัวเองอันนี้พวกสื่อก็เหมือนกัน่ะสื่อพวกนี้ก็เป็นเหมือนมีดเนี่ยที่อาจจะเป็นคุณเป็นโทษกับผู้ใช้ก็ได้ ถ้าผู้ใช้ไม่รู้จักใช้เดี๋ยวก็ใช้ไปในทางที่เสียหายได้ถ้าผู้ใช้ที่รู้จักใช้มันก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างนี้เฟซ b o o k นี่ตอนนี้ก็เห็นไหมมีคนติดตามต้องแสงกนกว่าคนนะมันก็เป็นประโยชน์กับคนที่เขาอยากจะรู้ธรรมะเขาก็ได้ติดได้ติดตามได้ศึกษาถ้าไม่มีเฟซบ o ๊กจะทำยังไงนั่งตรงนี้ก็รู้แต่เฉพาะคนที่มาแค่ตรงนี้ให้ แต่ตอนนี้ทุกวันในบ้านตามบ้านที่บ้านติดตามกันตัง้งสี่ห้าร้อยกันขึ้นไปเฟซบุ๊กสี่ห้าร้อย u ูทูบร้อยกว่าเนี <Yeah. S 1> ่ยอันสื่อมันก็เป็นเหมือนเครื่องมืออย่างหนึ่ง <Yeah. S 1> ที่เป็นทั้งคุณทั้งเป็นทั้งโทษได้ <Yeah. S 1> เหมือนกับรถยนต์เนี่ยรถยนต์ก็เป็นทั้งคุณเป็นทั้งโทษได้ขับรถเป็นก็พาเราไปที่ปลอดภัยได้ขับไม่เป็นก็ตกหลุมตกบ่อ <Yeah. S 1> แหกโคง้งตกเหวได้ yeah. ตายได้เห็นหมั้นต้องรู้จักใช้สื่อรู้จักต้องรู้จักใช้สิโทรศัพท์มือถือนี่ก็เหมือนกันถ้ารู้จักใช้มันก็เป็นประโยชน์เนี่ยอยากจะค้นคว้าหาความรู้เนี่ยสบายมากสมัยนี้ไม่ต้องไปเข้าห้องสมุดแลอยากจะรู้อะไรนี่สามารถเปิดขึ้นมาดูได้เลยสมัยก่อนก็ต้องไปห้องสมุดต้องไปค้นสารบันก่อนแล้วก็ไปหาหนังสือที่อยากจะห่าน เราก็ต้องไปเปิดหน้าที่อยากจะดูว่ามันอยู่หน้าเท่าไหร่กว่าจะได้ความรู้นี่ต้องเสียเวลามากมายแต่สมัยนี้เพียงแต่ใส่ข้อความที่เราอยากจะรู้เข้าไปมันก็จะนึ่งออกมาให้เราได้ดูเลยเย่างถ้ามันรู้จักใช้มันก็ใชใ้เป็นประโยชน์ได้ใช้ไม่เป็นก็ไปใช้ใเกิดโทษได้เสียเงินเสียทองเล่นการพนันได้เล่นการพรนันท า, รรนนานมือถือได้ ดังนมันมีทั้งคุณทั้งโทษสิ่งต่างๆเราจึงต้องรู้จักใช้มันถ้าไม่รู้จักใช้มันอย่าไปใช้มันเดี๋ยวมันอาจจะทำทําไม่เราเกิดพิษเป็นภัยอันตรายกับเราอันนี้ก็คือเรื่องของธรรมะวันนี้ธรรมะสเปสสปะเพราะว่าวันีฝนมันตกเสียงมันดัง <laughs> ก็เลยไม่รู้จะทำอะไรดี ถ้าห้ญาติโยมมาถวายของก็เดี๋ยวเปี้ยกอีกเพราะอยู่หลายอยู่อีกอาคารหนึง่งมาไม่ได้ก็เลยให้ลองถามธรรมะต้องถามคําถามดูก็เลยคุยกันไปแบบแบบตามมีตามเกิดมีอะไรมาก็คุยกันไปเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการถามตอบภาษาอังกฤษอีกเนี่ยมีชาวต่างประเทศที่เขาก็ติดตาม อ่านทางเฟ e บุ๊กทางอะไรแล้วเขาก็อาจจะมีคำคำคำสงสัยคำถามเขาก็ส่งคำถามก็ามาเราก็ลวกรวมาไว้เพราะมันมาไม่ไม่มากมาทีละนิดเทียหน่อยพอเดือนหนึ่งก็จะได้ประมาณสักยี่สิบกว่าสามสิบคำถามก็จะเอามาถามแล้วก็ถ่ายทอดสดแล้วก็เก็บไว้ในเฟซบุ๊ก YouTube เวลาใคร คนถามก็บอกเขาตอบก็ไปว่าอยากจะฟังคำคาต่อก็มามามาติดตามดูใน Facebook YouTube ได้วันนี้ก็เลยจะต้องต้องเลิกทางภาษาไทยเร็วหน่อยสามโมงยี่สิบก็จะเริ่มเป็นภาษาอังกฤษตอนนี้ก็เลยเปิดโอกาสให้คนที่อยากจะถามคำถามก็ถามได้อยากจะถามอะไรได้ไหมตอนนี้ อ่ะจ้องไมโครโฟนมาไหนค่ะคำถามหนูจะลึกซึ้งนิดนึงอะค่ะเอาเลยยิ่งลึกยิ <c oughs> ่คำ <c oughs> ว่าจิตอะคะ่ะ <c oughs> ทางโลกกับทางธรรมต่างกันยังไงอะคะ่ะอันเดียวกันเน่ยเพียงแต่ว่าทางโลกไม่เข้าใจเท่ากับทางธรรม <c oughs> ทางทางจิตนี่ทางโลกก็เข้าใจว่าเป็นอารมณ์ใช่ไหม วันนี้อารมณ์ไม่ดีเลยที่ว่าจิตใจไม่ดีเลยก็รู้แต่รู้ไม่ลึกซึ้งเหมือนกับทางทางของทางธรรมทางธรรมรู้ว่าจิตนี้เป็นผู้รู้ผู้คิดผู้มี ม, มีมีตัวทำหน้าที่อยู่สี่ตัวด้วยกันตัวหนึ่งทำหน้าที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสจากตาหูจมูกลิ้นกายจิตนี้เป็น ผู้ที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกร่างกายร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้รู้รูปเสียงกลิ่นรสร่างกายนี้เหมือนโทรศัพท์มือถือมีกล้องเนี่ยกล้องมันไม่รู้ว่ามันมันมันเห็นภาพอะไรผู้ที่เห็นภาพนี้ผู้ที่รู้ว่าภาพนี้คืออะไรก็คือจิตจิตรู้ภาพนี้ด้วยการส่งกระแสวิญญาณเ็าเรียกว่าดวงวิ ก็เรียกว่าวิญญาณที่มารับรู้รูปที่ที่ตาพอตาเห็นรูปรูปก็จะวิ่งไปจากจากตานี่มันก็จะวิ่งไปที่จิตอีกทีนึงโดยมีสายเรียกว่าวิญญาณมาเป็นตัวเชื่อมต่อวิญญาณทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณทางหูก็เรียกว่าโสตะวิญญาณผู้รับรู้รูปเกิวิญญาณรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสคือวิญญาณห ห้าห้าตัวนี้เรียกว่าวิญญาณตัวรับรู้เมื่อรับรู้แล้วพอพอพอจิตได้รับรู้ว่าเป็นภาพแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งมาทำหน้าที่ต่อคือมาแปลความหมายว่าภาพนี้คือภาพอะไรเคยเห็นภาพนี้หรือเปล่าถ้ามีความอยู่ในความจำก็จะรู้ว่าเป็นภาพอะไรเช่นเคยเห็นกันมาก่อนอย่างวันนี้เราเห็นหน้าหนูเราจาได้ว่าเออเคเห็นหน้าหนูมาก่อน ก็เลยไม่ต้องถามว่าชื่ออะไรมาจากไหนเพราะรู้ว่าคนนี้เป็นใครอันนี้เขาเรียกตัวความจำได้หมายรู้มีตัวที่สองที่มาทำหน้าที่ให้กับจิตเพื่อจะได้รู้ว่าภาพที่เห็นนี้เป็นภาพอะไรเป็นหญิงเป็นชายเป็นเป็นดีหรือไม่ ด, มดีถ้าเห็นคนที่เรารู้ว่าดีเพราะคนที่มาทีไรเอาขนมมาฝากทุกทีก็จะเกิด ความรู้สึกขึ้นมาทันทีความรู้สึกดีใจมีความสุขขึ้นมาเวลาเห็นคนที่เราเคยจําได้ว่าเขาเคยให้ความสุขกับเราพอเราเจอเขาเราก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าเวทนาตัวที่สามตัวที่หนึ่งเรียกว่าวิญญาณรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสแล้วตัวที่สองเรียกว่าสัญญาความจาได้หมรู้จารูปเสียงกลิ่นรสเหล่านี้ได้หรือเปล่า หรือรู้ว่ารูปเสียงกิดรถเหล่านี้เป็นรูปเสียงกิดรถอะไรอันนี้เกิดจากการเรียนรู้ตามที่เราเป็นเด็กพอเราโตขึ้นมาพ่อแม่จะสอนเราเลยว่านี่คือนั่นนี่คือนี่มันก็จะฝังไว้ในใจเราเป็นสัญญาความจําขึ้นมาว่านี่เป็นพ่อนี่เป็นแม่นี่เป็นนมนี่เป็นน้ํานี่เป็นอาหารเนี่ยเราเรียนรู้ตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราเรียนรู้ความรู้เหล่านี้ แล้วเราก็ฝังไว้ในใจเราเป็นความจำเราเรียกตอนนี้ว่าสัญญาความจำได้หมายรู้ถ้าเราเห็นรูปที่เราเคยเห็นแล้วเราก็จะจำได้จะรู้ว่าเป็นอะไรแต่ถ้าเราเห็นรูปใหม่ที่เราไม่เคยเห็นเราก็ไม่รู้เราก็เลยยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีก็ต้องเรียนรู้ถ้าไม่รู้ก็ถามบางทีก็ต้องถามแม่เช่นไม่เคยเห็นธนบัติต่างประเทศนี้ อยู่ๆวันหนึ่งพราะแม่ก็เอาธนาบัติมาแล้วเราเห็นเข้าเรานี่เป็นอะไรเนี่ยเราก็ถามเนี่ยอันนี้ตัวอันนั่นตัวที่4ล้เดี๋ยวนี้เอาตัวที่สองกันตัวที่สองเป็นตัวที่จะดูว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เราดูนี้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสอะไรดีหรือไม่ดีสุขหรือทุกข์ถ้ารู้ว่า ร, รู้ว่าดีรู้ว่าสุขก็เกิดความสุขใจขึ้นเกิดความรู้สึก ความสุขขึ้นมาเรียกเ็เวทนาเวทนานี้เป็นความรู้สึกมีอยู่สามรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึ ก, ก, สกไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยแต่เห็นสิ่งที่เรากลัวเราไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอแต่เห็นโจรผู้ร้ายอย่างเงี้ยก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้าเห็นแบบว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์เราก็เฉยเฉยอันนี้ก็เป็นตัวที่สามของที่ทํางานให้กับจิตน ตัวแรกเป็นตัวรับรูปเสียงกิน่นรสตัวที่สองเป็นตัวแปลว่าไอ้รูปเสียงกิ่รสนี้เป็นอะไรพอรู้ว่าเป็นอะไรก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ตามที่เราที่ตามที่สัญญาแปลให้เรารู้แล้วพอเรามีความรู้สึกแล้วก็จะตัวที่สี่ก็จะทำงานคือสังขารความคิดปรุงแต่งถ้าเป็นของดีก็เออทไงเอามันดีหม ถ้าของไม่ดีก็หนีมันดีกว่าไม่โยนทิ้งดีกว่าอันนี้ก็คือความคิดความคิดปรุงแต่งว่าเราจะทำอะไรกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เรามาสัมผัสรับรู้พอได้ยินเสียงคนชมล้วก็เกิดความสุขใจก็เดินเข้าหาคนชมเลยใช่ทักทายถ้าเกิดเจอเสียงด่าขึ้นมาล้วก็เดินหนีเลยอันนี้ก็เป็นตัวที่สี่ตัวสังขารความคิดปรุงแต่งตัวคิดที่จะสั่งให้ร่างกายทาอะไรนี่คือตัวที่สี่ สั่งให้ร่างกายพูดหรือไม่พูดสั่งให้ร่างกายทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็คือสังขารนี่นี่คือตัวจิตที่มีมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ต่างๆกันในตัวจิตอีกทีนึ่งตัวจิตเองถ้าเวลาไอ้สี่ตัวนี้ไม่ทำงานก็เหลือแต่ตัวรู้เฉยๆตัวรู้นี้เป็นตัวที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสอีกทีหนึ่ง รู้ความจำรู้ว่าจาอะไรอยู่รู้ความรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์รู้ว่ากำลังคิดอะไรนี่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวรู้นี่สรุปแล้วมีห้าตัวตัวรู้ที่รู้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่เพียงแต่รู้ว่ากำลังมีอะไรให้รู้หรือเปล่านั่นมีเสียงมากระทบก็หูวิญญาณมันก็ส่งเสียงนี้มาให้ตัวรู้บอกนี่มีเสียงแล้วนะ ตัวรู้ก็รับรู้ว่าเออมีเสียงแล้วตัววิญญาณเึงแต่เป็นทูตรับสัญญาณรับเสียงมาให้กับตัวรู้อีกทีนึงแล้วแล้วตัวรู้ก็สั่งให้ตัวสัญญาว่าไอ้ไอเสียงนี้เป็นเสียงอะไรพอรู้ว่าเป็นเสียงดีหรือเสียงไม่ดีตัวตัวรู้ก็รู้รู้ก็สั่งให้ตัวที่สามทำงานถ้าเสียงดีก็เกิดความสุขขึ้นมาถ้าเสียงไม่ดีก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา แล้วก็สั่งให้ตัวที่สี่ทำงานต่อว่าอตัวคิดจะทําไงดีถ้าเสียงดีก็ไปซื้อมันเลยใช่ไหมถ้าเสียงไม่ดีก็ไม่เอาดีกว่าอันนี้ก็ตัวคิดแหละคิดจะซื้อหรือไม่ซื้อจะเอาหรือไม่เอาแต่ไอ้ตัวรู้เนี่ยเป็นตัวที่กํากับไอ้ตัวสี่ตัวนี้อีกทีนึ่งแต่ต้องอาศัยสี่ตัวนี้เป็นตัวทํางานทําหน้าที่เนี่ยแล้วคือตัวจิตเป็นอย่างนี้ทีนี้ปัญหาของจิตเราตอนนี้ก็คือ ไอ้ตัวตัวสัญญาเนี่ยตัวจำได้ไหมายรู้เนี่ยมันจำผิดมันไม่มันไม่มันไม่ไปรู้ตามความเป็นจริงมันไปรู้ตามที่เขาสอนกันมาซึ่งเป็นความรู้ที่ผิดเป็นความรู้ที่ทำให้เร า, เาทุกข์กันวุ่นวายกันเพราะว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันดีมันไม่ดีตลอดเราไม่รู้ตรงนี้ เรารู้ว่ามันดีแต่เราลืมไปว่ามันดีเดี๋ยวเดียวของอะไรซื้อมาใหม่ๆมันดีแค่นั้นเนี่ยพอใช้ไปสักพักแล้วเดี๋ยวมันก็เสียพอมันเสียเราก็เสียใจไปกับมันที่เราทุกข์ก็ทุกข์เพราะว่าเราไปเอาของที่มันมันเปลี่ยนไปตอนต้นมันดีแล้วพอมันเปลี่ยนไปไม่ดีเราก็ทุกข์กันคนนี่เหมือนกันแฟนนี่เหมือนกันวเวลาใหม่ๆก็ดีเดี๋ยวเขาเปลี่ยนไป พอเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ดีเราก็ทุกข์เราก็เสียใจนี่นเราพระพุทธเจ้าดึงต้องมาสอนพวกเราให้เรามองให้เราเปลี่ยนสัญญาใหม่ให้มองว่าทุกอย่างที่เราคิดว่าดีมันดีเดี๋ยวเดียวดีชั่วคราวเพราะมันเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเดี๋ยวมันจะหมดได้ทุกของทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงอันนี้ไม่มีใครรู้มีแต่พระพุทธเจ้าที่รู้รู้ว่าที่เราทุกข์กันทุกวันนี้เพราะว่าเรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆ เราไปมองว่ามันเที่ยงพออะไรเห็นว่าดีแลคิดว่ามันต้องดีไปตลอดเห็นไหมห น, ะนังเวลาจะเวลาพระเอกกันางเอกแต่งงานกันตอนจบก็จะอยู่กันไปตลอดใช่ไหมไม่มีภาคสองให้ดูนี่เดี๋ยวภาคสองก็ตีกันแล้วหนบู๊กันแล้วใช่ไหมนั่นแหละอันนี้คือปัญหาสัญญาของเราเหมือนมันมองโลกในในในในทางที่ไม่ถูกตามความเป็นจริง ทางความเป็นจริงแล้วโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีความสุขที่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องเปลี่ยนไปหมดไปพอมันเปลี่ยนไปหมดไปก็ทําให้เราเศร้าเหงาว้าวเวเวลาที่เราต้องสูญเสียความสุขนั้นไปแต่เราก็ไม่เข็ดพอสูญไปแล้วก็ไปหาใหม่หามากี่ครั้งเดี๋ยวมันก็หมด แล้วต่อไปเราก็ลืมไปว่าเครื่องมือที่เราใช้ใ ห, หาคือร่างกายของเรามันก็ต้องหมดเ อ, องเดี๋ยวร่างกายเราก็ต้องแก่เดี๋ยวต้องเจ็บพอเวลามันแก่มันเจ็บก็จะไปสิ่งหาสิ่งที่เราอยากได้ไม่ได้แล้วอันนี้เป็นเป็นความรู้ที่เราไม่รู้กันสัญญาเราไม่สอนเราเห็นอะไรก็บอกดีอยากได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็มาร้องห่มร้องไห้ที่หลัง เวลาเขาเปลี่ยนไปหรือเวลาเขาจากเราไปแต่ถ้าเรารู้ก่อนว่าเอ้ยเขาเดี๋ยวต้องจากเราไปเนะี่ยเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่เอาดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าที่อยู่คนเดียวอยู่ไม่ได้อยู่แล้วมันเหงามันว้าวเวพระพุทธเจ้าก็คงส่งคนพบวิธีที่จะอยู่คนเดียวแบบไม่ว้าวเวได้ทํำยังไงก็หัดทําใจให้สงบหยุดคิดซะพอเราไม่คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะไม่รู้สึกอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ พอเราไม่มีความอยากได้เราก็จะไม่รู้สึกเหงาหรือว้างเวยเวลาที่เราไม่มีอะไรงนั้นถ้าเราอยากจะอยู่แบบมีความสุขแบบไม่มีความทุกข์เราก็ต้องมาหัดอยู่แบบไม่อยู่แบบคนเดียวอยู่แบบไม่มีอะไรจะอยู่คนเดียวอยู่แบบไม่มีอะไรได้ก็ต้องทำใจให้สงบวิธีทำใจให้สงบก็ต้องหยุดความคิดออก็ต้องใช้พุทโธพุทโธพุทโธ คิดอยู่กับเรื่องเดียวแล้วมันก็จะคิดถึงเรื่องอื่นไม่ได้พอเราคิดอยู่กับพุทโธพุทโธมันก็จะคิดถึงขนมไม่ได้คิดถึงกาแฟไม่ได้คิดถึงละครไม่ได้คิดถึงอะไรไม่ได้พอไม่คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ความอยากกับเรื่องราวเหล่านี้ก็จะไม่เกิดพอไม่มีความอยากใจของเราก็จะไม่รู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจที่เราหงุดหงิดลำคาญใจเพราะอยากอยากไปเที่ยวพอไม่ได้เที่ยวก็หงุดหงิดลำคาญใจ อยากจะใช้มือถือถ้ามือถือเสียก็หมดหิดหําดำคารใจแต่ถ้าเรามาพุทโธพุทโธพุทโธเราก็จะลืมเรื่องเที่ยวเรื่องมือถือเราก็จะไม่มีความอยากเที่ยวอยากจะใช้มือถือเราก็อยู่เฉยๆได้เราก็มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรนี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นคนทรงเป็นผู้ซ่งเป็นผู้ค้นพบความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมารือความสุขจากความสงบ ความสุขจากการอยู่ตามลำพังไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราเรามีความสุขในตัวเราแล้วแต่เราไม่รู้เราไปหาความสุขนอกตัวเราที่เป็นความสุขปลอมที่เป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปหรือได้มาแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นความทุกข์ต่อไปดังนั้นนี่คือสัญญาที่เราจะต้องมาแก้กันความจาได้หมายรู้ ต้องเปลี่ยนว่าทุกอย่างที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานี้ไม่สุขแล้วรูปเสียงกลิ่นรสนี่ไม่สุขแล้วสุขตอนที่ได้ดูเท่านั้นแล้ว เ, เดี๋ยวพอดูบ่อยๆก็เบื่อแล้วใช่ไหมไม่ ว, ว่าถ้าถ้าเป็นรูปที่ไม่ถูกใจก็ไม่ก็ไม่สบายใจรูปที่มันดีพอมันเปลี่ยนเป็นรูปที่ไม่ดีขึ้นมาก็ทำให้เราทุกข์ละนี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นกัน เราไม่เห็นว่าทุกส like, like ิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นๆลงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวเชื่อสามวันดีสี่วันค่ายเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเนี่ยเดี๋ยวเจริญเดี๋ยวเสื่อมเราไม่เห็นนี้เราคิดว่ามันจะเจริญอย่างเดียวมันจะดีอย่างเดียวพอมันไม่เจริญเราก็ทุกข์กันละพอมันเสื่อมเราก็ทุกข์กันละแล้วเราถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขกัน อย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลินรสมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบไปอยู่คนเดียวนั่งสมาธิหลับตาพุทธโธพุทธโธอย่าคิดอะไรถ้าใจไม่คิดอะไรใจนิ่งสงบก็มีความสุขขึ้นมาแล้วต่อไปเราก็จะหาความสุขแบบนี้ไปถ้าพอเรารู้จากวิธีหาความสุขแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขแบบนี้เวลาเราเหงาก็เราก็ไม่นั่งสมาธิเดียวเดียวก็หายเหงา เวลาเครียดนั่งสมาธิเดียวเดียวก็หายเครียดถ้าเราทำเป็นถ้าเรานั่งสมาธิเป็นทำใจให้สงบเป็นเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับอะไร <c oughs> ไม่ต้องมีอะไรมีแล้วเดี๋ยวต้องทุกข์กับมันมีก็ต้องทุกข์ลวเวลามีก็ต้องกังวลกัะต้องดูแลรักษามันนะแล้วมีลูกนี้กังวลไหมยังไม่ทันจากเราเลยยังไม่ทันอะไรเลยพอมีแล้วก็ต้องกังวลละต้องคอยเลยยี้ยงดูมันละ เดี๋ยวเกิดมันหายไปนี่ก็ทุกขนะ์เกิดไปโรงเรียนแล้วกลับมาสายหน่อยไอ้ลูกหายไปไหนตกใจนละ้วแล้วเลี้ยงไปจนตัวเียมันก็จากเราไปอยู่ดีเดี๋ยวมันก็ต้องไปมีแฟนมีครอบครัวของเขาอยู่ดีก็มันก็มันก็เป็นการต้องพัดพากจากกันอยู่เป็นความกังวลกันอยู่นั่นเป็นความทุกข์อยู่ตลอดเวลาความสุขที่ได้จากเขานิดเดียวเห็นหน้าเขาแล้วดีใจ แล้วก็ต้องมาคอยห่วงคอยห่วงเขาอสู้มาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องมีอะไรดีกว่าหาความสุขจากการทําใจให้สงบอย่างที่พวกเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมกันนี้ก็มามาเปลี่ยนความรู้ใหม่ความรู้เก่าไม่ดีความรู้เก่าหลอกให้เราไปเจอแต่ความทุกข์เพราะของที่เราคิดว่าดีของที่เราคิดว่ามันให้ความสุขนี้มันเปลี่ยนได้มันหมดได้มันเสื่อมได้ พอมันเปลี่ยนมันเสือ่อมมันมันก็ทําให้เราทุกข์กันทั้งทั้งที่เราไม่อยากจะทุกข์มันก็ทุกข์กันเชื่อไม่อยู่ดีๆถ้าเกิดสูญเสียของที่เรารักไปดูดูที่จะยิ้มออกไหมยิ้มไม่ออกอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเขาให้เราออกจากงานสิ้นเดือนนี้เราจะรู้สึกยังไงยิ้มได้ไหมหัวเราะได้ไหมแล้วเราไปห้ามเขาได้เปล่าถ้าเกิดเขาอยากจะให้เราออกขึ้นมาเอใช่ไหม นี่แหละคือสิ่งที่เราไม่คิดกันล่วงหน้าพอมันเกิดขึ้นเราเลยเราก็เลยเสียหลักแต่ถ้าเราคิดล่วงหน้าไว้ก่อนเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจหาที่สำรองหาอะไรมาทดแทนเหมืนไว้ก่อนพอไม่มีตัวนี้ก็มีตัวนี้ทดแทนถ้าตอนนี้เราไปหยามนั่งสมาธิกันต่อไปเกิดเวลาเราสูญเสียอะไรไปเราเสียใจเราก็ไม่นั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบก็จะไม่รู้สึก รู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจพะความเศร้าความเสียใจมันก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งของเรานี่ใจเราไปคิดถึงมันอยากให้มันกลับมามันไปแล้วอยากให้มันกลับมาพอไม่กลับมาก็เลยเสียใจเศร้าแต่ถ้าเราหยุดความคิดนี้หยุดความอยากได้อยากกลับมาได้เขาไปแล้วก็ปล่อยเขาไปเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็อยู่ของเราต่อไปได้นี่ยนีเรื่องของจิตเนี่ยที่ทางโลกไม่รู้กัน รู้แต่รู้แต่แบบผิวเผินรู้ว่าจิตคืออารมณ์จิตคือผู้คิดผู้เครียดผู้อะไรเวลาเครียดก็ไปหาจิตแพทย์ตัวจิตแพทย์เองก็เครียดคนเครียดมาสอนคนเครียดรักษาคนเครียดมันหาเครียดได้ไงใช่ไหมมันต้องมปหาคนที่ไม่เครียดเนี่คนที่ไม่เครียดก็มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตาตถาคตานั้นแหะที่ไม่เครียด พอท่านรู้จักวิธีทำให้ไม่เครียดได้ถ้ามีอะไรครับนวัต ก, กรรมผมอยากจะเรียนเดี๋ยวขอเอาไมไหน่อยากกราบเรียนถามว่าพระเรียเจ้านะครับเพระแม่ครูบาจารย์นี่มีวิธีบริหารในเรื่องของภาวนายัางไงในเมื่อท่านเจอเวทนาในอาการเจ็บปวดอย่างสุดทรมานนะครับ ท่านก็ใช้สติใช้ปัญญาสองตัวนี้สติตัวหนึ่งปัญญาตัวหนึง่งสามารถทําให้ใจนี้เฉยกับเวทนาได้เวลาร่างกายเจ็บถ้าจิตมีสติไม่ไปคิดถึงความเจ็บมันก็มันก็จะไม่ทรมานมันจะเฉยเฉยมันจะอยู่กับความเจ็บได้ที่มันทรมานเพราะเราไปอยากให้ความเจ็บหายไปยิ่งอยากมันยิ่งทําให้ใจทรมานะ ความเจ็บมันไม่เป็นตัว้ายกาดตัวที่้ายกาดก็คือความอยากความอยากให้ความเจ็บหายไปหรือความอยากที่จะหนีจากความเจ็บนี้ไปพอมันอยากแล้วมันทำไม่ได้มันก็เครียดมันก็ทรมานใจถ้าเราใช้สติหยุดความคิดความอยากนี้ได้มันก็จะไม่เครียดมันก็จะอยู่กับความอยากนี้อยู่กับความเจ็บนี้ได้อันนี้เป็นวิธีใช้แบบชั่วคราวเพราะว่าสตินี้ เวลาหยุดคิดหยุดอยากมันก็ความเครียดก็หายไปความทรมานก็หายไปแต่พอเราหยุดเผลอสติเมื่อไหร่เกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปมันก็จะเครียดมันก็จะทรมานขึ้นมาอีกวิธีที่จะทําให้มันหายเครียดหายทรมานอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าความเจ็บนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ใจอยู่ที่ร่างกายร่างกายนี้กับใจเป็นคนละคนกัน ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นเหมือนหมอเหมือนพยาบาลร่างกายเป็นเหมือนคนไข้แต่แม้เวลาหมอไปเยี่ยมคนไข้คนไข้ร้องโอดควรค้างหมอไม่ได้รู้สึกอะไรกับคนไข้ใช่เพราะหมอรู้ว่าหมอไม่ได้เป็นคนไข้ใจเราก็เหมือนกับหมอร่างกายเราก็เป็นเหมือนคนไข้เราต้องรู้จักแยกว่าหน้าที่ของใจกับหน้าที่ของคนไข้คนละหน้าที่กันหน้าที่ของคนคน คนไข้ก็เจ็บไปปล่อยมันเจ็บไปหน้าที่ของใจคือหมอก็เพียงแต่รับรู้ไปรับรู้ว่าคนไข้เจ็บแต่หมอไม่ต้องไปเจ็บแทนคนไข้เข้าใจ ม, มนี่เรามันไม่รู้มันไม่มีปัญญาใจกับใจมันมีความหลงหลอกให้มันไปคิดว่ามันเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรก็เราไปเจ็บแทนร่างกายไปอยากแทนร่างกายอยากให้หายเจ็บเราเกิดความอยากให้หายเจ็บมันก็เลยทรมานขึ้นมา แต่เราสามารถสอนใจได้ว่าใจเป็นผู้รู้ร่างกายเป็นผู้เจ็บให้รู้แค่นี้ปล่อยให้ผู้เจ็บก็ก็เจ็บไปผู้รู้ก็ให้รู้ไปเฉยๆอย่าไปอยากให้ผู้เจ็บหายเจ็บเพราะอยากเงี้มันก็ไม่หายมันจะเจ็บมันจะหายมันต้องหายของมันเองเราไปสั่งมันมันไม่ได้หายด้วยความอยากของเราถึงเวลามันจะหายมันก็หายถึงเวลาไม่หายมันก็อยู่แต่ใจผู้รู้นี้ไม่ต้องไม่ต้องไปทุกข์กับมัน ถ้ารู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายอันนี้คือต้องใช้ปัญญาแยกร่างกายกับใจออกจากการลึกกับจิตออกจากการจิตเป็นผู้รู้ผู้คิดร่างกายเป็นผู้เจ็บร่างกายเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปร่างกายเป็นเหมือนคนไข้ใจใจหรือจิตนี้เป็นเหมือนหมอหมอก็รับรู้ไปถามคนไข้ไปไงเจ็บตรงไหนเจ็บเด้ อ, อเจก็เจ็บไปเดี๋ยวหมอจะหายามาให้ถ้ามียาก็ หาไปกินไปหายก็หายไม่หายหมอก็ไม่ใช่หน้าที่ของหมอที่จะมาทุกทรมายกับคนไข้ใช่ไหมหมอทำหน้าที่เสร็จก็จบเนี่ยพยายามสอนใจให้ว่าเราเป็นหมอเราเป็นคนดูแลร่างกายร่างกายถ้าเรารักษามันได้เราก็รักษาไปเวลามันเจ็บตรงไหนเราก็หายามาทาเดี๋ยวมันก็หายช่วงที่มันไม่หายก็ต้องก็ต้องทนไปต้องต้องปล่อยให้มันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหาย จะมันจะทรมานใจนี่เรียกว่าปัญญาถ้าเรารู้จักใช้ปัญญาแลาต่อไปนั่งกายเป็นอะไรแล้วก็เฉยเฉยมันไม่ใช่เราลนะ่ะยามันเป็นคนไข้เราช่วยมันได้ก็ช่วยมันช่วยมันไม่ได้ก็ก็ช่างมันมันจะตายก็ต้องให้มันตายก็มีเท่านี้ใจก็จะไม่ทุกข์พวกเราวันนี้ทุกกันทุกข์เพราะเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเราเป็นใจเราเป็นผู้รู้แต่เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเป็นผู้เจ็บเราก็เลยไปเจ็บแทน แทนร่างกายร่างกายมันไม่เจ็บมันไม่รู้ว่ามันเจ็บเข้าใจไหมร่างกายมันไม่เดือดร้อนเวลามันเจ็บใครเดือดร้อนใจที่ไม่เจ็บกลับไปเดือดร้อนแทนผู้เจ็บเนี่ยเพราะมันพัวพันกันมันหลงคิดว่ามันเป็นร่างกายเราต้องมาแยกต้องแยกตอนที่มันเจ็บแยกตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้คุยกันรู้เรื่องมันมันไม่ยังไม่ได้แยกต้องแยกตอนเจ็บต่อไปเวลาเจ็บเราบอกเอ้เราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้เป็นผู้เจ็บมันเจ็บก็ช่างหัวมันออื แล้วเราจะไม่เจ็บเราจะรู้สึกสบายขึ้นมาอข้าใไหมเออเนาะโอเคตอนนี้ก็จะให้ญาติโยมเดี๋ยวขอให้พรก่อนดีกว่าจะได้ไม่ต้องเข้าๆออกๆนะจะให้พรเสร็จแล้วก็ใครอยากจะถวายข้าของก็เข้ามาถวายยาทาวาเิวาหาปุราปาลิกปุเรนติสาขลัง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 มาเตภวะตอันตาราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนศสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวาทานติอายุวโนสุขังภาลางขอถามอะไรหน่อยได้ไหมอย่างน้องใจ ค่าคาถามก่อนถามฟรีไม่ได้ต้องจ่เยามต้องไปรักษาศีลก็คือว่า ค, คือว่าถ้าเกิดหยิบหนังสือธรรมะของวันโดยที่เขาวางแบบไม่ได้แจกอะคะอ่ะอ่าต้องรู้ก่อนว่าเขาแจกหรือไม่แจกถ้าเป็นของคนอื่นนี่เช่นของคนอื่นก็วางไว้แล้วเราไปหยิบนี่ไม่ไม่ได้ ขโมยของเขาต้องถามเจ้าของก่อนขออนุ ญ, ญาตเจ้าของก่อนแล้ว เ, เป็นไปได้ไหมคะว่าเทพเจ้าจะเอ า, าวางให้อ๋อถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของเราก็อย่าไปหยิบ อ, อันนี้หยิบมาเรียกไปก็ไปคืนเขาเส้คนหยิบข่าก็ไปคืนก็บางทีคนอื่นก็มาก็ม า, มาอ่านแล้วเขาวางไว้ก็อาจจะลืมอย่างนี้แต่คือว่ามันก็ยันหายไปแล้ว แล้วถ้าปเป็คืนที่เดิมเราจะไปหยิบของอยู่ในวันหรือเ่าคะหร<า>ือ<า>ว่าต้องไปเอาฝากค<า>่ะก<า>็นั่นแหละเราไปได้มาที่ไหนล้วก็ไปวางไว้ตรงนั้นก็แล้วไม่ได้ทิ้งเป็นการทิ้งขยะไม่ได้ทิ้งขยะแล้วก็ไปคื น, คนที่เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครแล้วก็ไปวางไว้ที่เดิมแล้วก็เป็นกรรมของคนอื่นไปก็อยากจะไปหยิบกระเลือกอของเขาไงถ้าหยิบมาเยอะยิ่งให้กรรมเยอะใช่ไหมคะ อ่ะห ย, หยิบหยิบมากก็บาบมากหยิ บ, กกบน้อยก็บาบน้อยมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนครั้งมันอยู่ที่ปริมาณด้วยอวยองนั้นก่อนจะหยิบอะไรมาเราต้องรู้ก่อนอะต้องรู้ก่อนว่ามีเจ้าของมันต้องมีเจ้าของถ้าไม่มีเจ้าของเราไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของก็อย่าไปหยิบนะ ถ้าหยิบมาแล้วถ้ารู้ก็เอาไปคืนไปวางไว้ที่เดิมก็แล้วกันอืจะได้กลับเอาไปวางที่เดิมพอแล้วกันอือวันนี้เฟซบุ๊กเข้ามาท่านวันนี้เฟซบุ๊กเข้ามา428ยูทูบเข้ามา141วิทยุออนไลน์21ผู้รับฟังบนเขา52รวมทั้งสิ้น642ท่านครับ642คน อย่งนี้ไม่ต้องมาถึงที่นี่มีเฟซบุ๊ก YouTube ไปเป็นตัวเชื่อมต่อเนี่ยตัวเฟซบุ๊ก u ูทูก็เหมือนตัววิญญาณที่เชื่อมต่อใจกับร่างกายเป็นพวกนี้เชื่อมต่อเรากับคนที่อยู่ทางบ้านส่วนร่างกายเรากับใจเรานี่เชื่อมต่อด้วยวิญญาณทางตาหูจมูกเิ้นกายวิญญาณนี่เป็นตัวหนึ่งของจิตมีอยู่สี่ตัววิญญาณแล้วก็สัญญา สัญญารับรู้ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสอะไรเวทนาก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสอะไรสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วสังขารความคิดก็คิดขึ้นมาว่าจะทำยังไงดีกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราได้มาสัมผัสรับรู้ควรที่จะเป็นมิตรควรที่จะต้อนรับหรือควรที่จะไม่ต้อนรับควรที่จะเข้าหาหรือควรที่ ถอยออกนี่ก็อยู่ที่สังขารเป็นตัวบอกให้ร่างกายทำหน้าที่ไป <c oughs> น, นี่คือตัวจิตทำงานแบบนี้ตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวสังขารที่ไปมองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขพอมองไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเราไปควบคุมบังคับไม่ให้มันเที่ยงไม่ได้พอไม่เที่ยงเราก็เสียใจแต่เราคิดว่าเราควบคุมได้ เราคิดว่าเราครวบคุมทุกอย่างให้มันอยู่ภายใต้ความต้องการของเราได้แต่มันไม่ได้ทุกครั้งไปบางบางเวลาก็ได้บางเวลาก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ก็เสียใจอันนี้คือเรื่องของจิตที่เรามาศึกษากันนี้ก็มาศึกษาเพื่อให้ดูวิธีแก้ปัญหาของจิตจิตเราตอนนี้ยังต้องเจอความทุกข์อยู่เลยเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเข้าหามันเป็นทุกข์กัน เราไปคิดว่ามันเป็นสุข ก, กันเราไม่รู้ว่ามันสุขเดียวเดียวมันดีเดียวเดียว